กรรมที่ทำให้ตาบอดถามกรรมอะไรที่ทำให้คนตาบอดแต่กาเนิดตอบกายมนุษย์เป็นวิบากด้านดีหรืออีกนายหนึ่งคือผลรวมของบุญเก่าในอดีตชาติที่มีน้ำหนักมากพอ ที่จะเอื้อให้วิญญาณอย่างลงในคันมนุษย์แต่หากน้ำหนักของบาปมากกว่าบุญเสียแล้ววิญญาณจะปฏิสนธิในคันมนุษย์ไม่ได้เลยต้องไปสวยผลของบาปในอบายภูมิเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานหรือเป็นสัตว์รกอย่างใดอย่างหนึ่งในตาจัดเป็นช่องทางรับรู้โลกช่องหนึ่งที่สาคัญยิ่งตามปกติแล้วบุญระดับมนุษย์ จะเอื้อให้ทุกคนได้ลูกในตาซ้ายขวาที่พร้อมจะทำงานเว้นแต่จะพกบาปใหญ่เกี่ยวกับประสาตตามาด้วยอันนั้นจึงมีสิทธิพิการทางตาตั้งแต่กาเนิดถือเป็นกรณีที่พบได้ไม่ง่ายนักพวกเราชุ่มบาปด้วยกันทุกคนเคยมีเคราะห์อันเกิดจากกรรมเก่ามาด้วยกันทุกคนเคราะห์ทางตาเป็นเพียงเคราะห์อีกชนิดหนึ่ง ที่จะผ่านไปด้วยชีวิตอันไม่เที่ยงนี้กรรมที่ทำให้ตาบอดแต่กำเนิดเป็นชนิดห้ามการเห็นเช่นที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือเจาะตาผู้อื่นให้บอดหรือปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่นได้เห็นเดือนเห็นตะวันหรือสถานเบาก็เช่นซัดฝุ่นทรายเข้าตาผู้อื่นให้พร่าเลือนหรือบาดเจ็บใช้การไม่ได้ไปพักหนึ่ง นี่เป็นเรื่องเข้าข่ายกฎแห่งกรรมวิบากที่ว่าทำกับคนอื่นไว้อย่างไรก็จะได้รับผลสะท้อนเช่นนั้นกลับมาที่ตัวเองหมายความว่าถ้าคุณมีเหตุผลบางอย่างแต่สินใจควักลูกตาตัวเองออกมาในชาติก่อนก็จะไม่มีวิบากให้ต้องบอดในชาตินี้แต่หากทำกับคนอื่นอันนั้นก็รับผลกันตามกฎ ส่วนจะบอดหลังจากเจริญไว้ขึ้นมาระยะหนึ่งหรือว่าบอดแต่กำเนิดนั่นก็ขึ้นอยู่กับความหนักความเบาของกรรมขอยกตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพรวมได้ชัดถ้าหากคุณต่อสู้กับศัตรูในสงครามอันเป็นที่รู้กันว่าใครดีใครอยู่ไม่ได้มีความผูกอาฆาตกันไว้ก่อนหน้า แต่จะพลัดจะพลู่ตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้ประชิด ต, ตัวคุณเห็นว่าตัวเองร่างเล็กกว่าจึงใช้สองปลายนิ้วจิ้มลูกตาฝ่ายตรงข้ามด้วยเจตนาเอาตัวรอดเช่นนี้กรรมอาจเผลดผลในชาติถัดมาหลังจากเติบโตแล้วระยะหนึ่งไม่บอดแต่กำเนิดแต่ถ้าคุณจิ้มตาศัตรูบอดปุ๊บแล้วฆ่าเขาตายได้ทันที ไม่มีเจตนาทรมานกันผลที่ได้รับอาจไม่ใช่ตาบอดเพราะศัตรูเป็นทุกจากการบอดเพียงระยะเวลาอันสั้นการฆ่าต่างหากเป็นกรรมที่คุณต้องรับผลไปเต็มๆในกรณีนี้ในอีกทางหนึ่งหากมีศัตรูคู่อาฆาตขณะที่คุณมีอำนาจราชศักสามารถสั่งคังคุกมืด ด้วยเจตนาไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันไปจนชั่วชีวิตของเขาและคุณคิดสะใจอยู่ทุกวันเมื่อนึกถึงศัตรูขี้คุกกรณีนี้น้ำหนักกรรมจะมากพอให้บอดแต่กำเนิดได้นอกจากนั้นยังมีกรรมที่เหมือนเบาแต่ให้ผลแรงเนื่องจากบุคคลที่ถูกคุณทำร้ายเป็นผู้ทรงคุณใหญ่ขยายผลได้มาก เช่นคุณเป็นเด็กเล็กไม่รู้ปรประสีระษาหรือเป็นนักเลงโตประจําหมู่บ้านที่ขี้หมันไส้คนคุณเห็นพระอรหันต์เดินบินธบาตก็มืออยู่ไม่สุกรอบหลังต้นไม้กรรมสายสัตว์เข้าตาท่านด้วยเจตนาให้ร้องลั่นเสียมาสง่างามของนักบวชผู้ผ่องใสกรรมนั้นจะให้ผลหนักแน่นในชาติปัจจุบันทันด่วนคืออาจเป็นโรคทางตา หรือประสบอุบัติเหตุมีผลกับในตาต้องปวดแสบปวดร้อนทรมานเท่านั้นไม่พอหลังตายต้องลงไปอยู่ในนรกอาจมีนิระยะบาลสาดน้ำกรดเข้าตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรืออาจมีไฟพุ่งออกมาจากในตาไม่เลิกแถมเมื่อมีวาสนาเก่าพอจะหนุนให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจบอดแต่กำเนิด และถูกคนรุมแกล้งซ้ำให้เกิดความทุกข์สาหัสจากภาวะพิการทางตานี่แหละกรรมเล็กน้อยแต่ทำกับผู้ทรงคุณใหญ่อาจให้ผลยืดเยื้อเกินคาดคะเนดโดยง่าย